ถ้าคนวัดหรืออุบาสกผ่านมาพึงบอกเขาว่าท่านจงรู้ของนี้ถ้าเขาถามว่าจะให้กระผมนำสิ่งนี้ไปแลกอะไรมาไม่ควรบอกเขาว่าจงนำของนี้หรือของนี้มาควรบอกเฉพาะของที่เป็นกัปปิยะเช่นเนยใส่น้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยถ้าเขานำรูปิยานั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวายยกเว้นภิกษุแลกเปลี่ยนรูปยาภิกษุนอกนั้นทุกรูปฉันได้ถ้าทาได้อย่างนี้นั่นเป็นการดี ถ้าทำไม่ได้พึงบอกเขาว่าโปรดทิ้งของนี้ถ้าเขาทิ้งให้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ทิ้งให้พึงแต่งตั้งภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติให้อย่างให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะคือคุณสมบัติของภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะหอย่าง 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้วิธีว่าเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้งวิธีแต่งตั้งภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะและคําแต่งตั้งสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้คือเบื้องต้นพึงขอให้ภิกษุรับครันแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรร ม, มวาจาว่า590ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะสงเห็นด้วย เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นพึงทิ้งรูปิยะไปอย่ากำหนดที่ตกถ้าทิ้งโดยกำหนดที่ตกต้องอบัตทกุกกด